ก็พึ่งสวนนูนของโคนต้นปาล์มแต่ทำาไปอีกหน่อยก็เปลี่ยนไปพึ่งเสือเสียแทนการทำสมาธิก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายดีจริงๆฉันเชื่อสนิทเลยเตื่นขึ้นมาด้วยนโยบายใหม่นึกถึงลมหายใจขึ้นได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันจะไม่เร่งรัดตนเองอีกปรากฏว่าที่เหลือของวันนั้นฉันรู้สึกเป็นสุข